เรื่องที่ 19. เกลียดอนิจจังการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงซึ่งเรียกว่าปลงอนิจจังนั้นความมุ่งหมายเดิมของท่านจริงๆปลงให้มันสบายใจแต่มีบางอย่างท่านบอกว่ายิ่งปลงยิ่งกลุ้มเพราะไปคิดถึงแต่เรื่องที่มันจะย้ยายเปลี่ยนแปลงสู้ลืมๆมันเสียดีกว่า ความคิดอย่างนี้ก็มีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันคือคนบางคนอาจไม่สบายใจเพราะนึกถึงอนิจจังก็ได้จึงใคร่ขอเสนอข้อคิดประติดประต่อไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งที่จริงอนิจจังที่เราแปลกันว่าความไม่เที่ยงนั้นหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่า จะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปอันนีจังเป็นเพียงกฎกลางๆเท่านั้นคนที่ไม่อยากคิดถึงอั น, นิจจังนั้นเพราะไปดูอันนีจังข้างเดียวคือไปดูแต่ข้างเสียข้างดีไม่ดูเช่นไปคิดแต่ว่าคนเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายดอกไม้ตูมแล้วก็บานบานแล้วก็โรยดังนี้เป็นต้น คิดไปคิดมาก็ไม่ชอบอ น, นิจจังแต่ความจริงถ้ามันไม่มีอ น, นิจจังเสียเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่คงที่อยู่ตลอดกับเราก็แย่เหมือนกันผู้หญิงมีท้องก็ท้องอยู่เรื่อยไม่คลอดเลยคนที่เกิดมาเป็นเด็กทารกก็ทารกอยู่เรื่อยไม่โตเลยคนเจ็บก็เจ็บอยู่เรื่อย ไม่มีวันหายคนจนก็จนอยู่เรื่อยไม่มีวันรวยได้แลนอื่นนี่ดีนักหนาที่โลกนี้มันเป็นอนิจจงคือมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนเจ็บก็มีจังหวะหายคนจนก็มีจังหวะจะรวยมีขึ้นมีแรมมีมืดมีสว่างอย่างเดี๋ยวนี้ดีแล้วคิดอย่างนี้จึงจะไม่เกลียด อันนีจัง